เขกปวดตรงไหนอุปาทานจะยึตมันถ้าเราไม่ยึดถืออุปาทานไปยึตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ปวดตัวนี้เองแต่เวลาเรามาหาดฝึกเนี่ยอย่างเด็กๆเนี่ยมันก็น่าไม่ไดับเขาปวดเนาะแล้วก็บอกเขาบอกหนูตั้งสติไว้อย่างนีน้ค่อยเป็นค่อยไปแต่หากว่าเป็นเด็กนะ หรือเราก็ต้องพอนช้านผนยาวบ้างแต่หมายความว่าจะเคลื่อนย้ายจะลุกกำหนดจะจะกลับอะไรก็กำหนดได้ผมว่าจะคิดสาหรับเด็กเนะี่ยเราจะไปเอาเขาเหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วเด็กกลับนอกลับนอกลับนอได้อย่าให้มันขาดสติเดี๋ยวจะไปเอาเด็กเข้าไม่ได้ห้ามดุเด็ก เด็กๆมันหนีหมดกลับหนอกลับหนอเข้าใจไหมง่าแต่ผู้ใหญ่ไม่ควรกลับหนอเข้าใจไหมถ้าเด็กๆแค่มากลับหนอก่อนนั่งหนอกลับหนอไอ้จนจิตคืออยากหนออยากหยิบหนออยากหยิบหนอถ้าคนที่ฟุง้งซ่านมาก เอาให้ตนจิตเข้าไปอยากหยุดเนออยากหยิบหนอทําไมตนจิตแล้วว่าตัวอยากมันจะได้่ยละเอียดขึ้นไปทําไมไม่ฟุ้งฟานมากไปตรงใช้ต้นจิตเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องบางคนบอกอยากหยิบเนออยากหยิดเนอนต้นจิตนี่หมายความว่ามาจากเจตสทิที่อยู่หัดทายเดียวกับจิต เพื่อกำหนดไปเนี่ยเพื่อต้องการให้จิตมันละเอียดเข้าตอนนั้นเองไม่ให้มันฟุ้งชาญมากอย่างเช่นโดยระยะหกยกหนออย่างหนอเหยียบนออะไรเป็นลงหนอถูกหนออดหนอต้องการอย่างเดียวคือต้องการให้จิต ม, ะะมันละเ อ, อียดเข้าไม่ใช่อย่างอื่นแตอย่างอื่นเัี่ยเราก็กลับมาขวาย่างซ้ายย่าง่ะเป็นปกติตอนนั้นทำไมทิ้งแรงยกมากล่อทางว่าจิตมันเข้าไปขั้นเัาเขาก็ต้องเลื่อนไป เรื่องคันไปเรื่อยปตะจิตมันไม่เข้าคันมันก็ต้องมาต้องเลื่อนไปมันก็อยู่แค่นี้ก็ใช่ได้ใช่ไหะพวกเรายังไม่เข้าใจหลยอพวกมาโอ้โหเลื่อนคันให้ฉันบัางทียานฉันไม่ขึ้นเลยเลยเนี่ยเลื่อนคันให้น้อยสอบตกเอยเลยอาจารย์นี่ใช่ไม่ได้อาการตีก็ใช้เลยเกินไม่ใช่เลย เธอเลี่องกันสนใจไหมบางคนคิดหนอตรงนี้แต่ที่อตูลี่เนี่ยที่ว่ามันแตกมาตรงนี้ปัญญาเกิดไม่เท่ากันบางคนได้ตอนเดินบางคนได้ตอนยืนหนอบางคนได้ตอนคิดหนอไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเราได้ตอนไหนแล้วก็จะว่าคนนี้ต้องได้เหมือนเราไม่ให้ย่างนั้นนะ่ะ จูรี่เนี่ยเขายืนหมอห้าครั้งเขามองเห็นกระดูกเขาแล้วมองเห็นหนอนมันกินเนื้อเขาไปหมดแล้วก็เดี๋ยวเนื้อเต็มแล้วยืนไปนะครับมันจะแตกตรงที่ชิดอะแตกออมาเขาคิดออกหมดเลยออกหมดเลยแต่อีกคนหนึ่งมันไม่อยู่ตรงนี้อีกคนหนึ่งไปคิดหนอตรงนี้ไปได้จากตรงนี้เหมือนกันไม่ได้ เดี๋ยวจะตีความว่าตอนตรงนี้เสมอไปเข้าใจไหมยดี๋วบางคนบอคิดออกตอนนี้บางคนนั่งเฉยๆคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆมาตรีตั้งสติว่าที่เนี่ยอุณลมมาเดียเด๋ยวชายเดยเตเห็นหนอเห็นหนอคิดออกหมดเลยไปได้ตอนตอนเห็นหนอ จึงเหมือนกันไม่ได้จาไมเลยไม่ใช่ว่าต้องเสมอไปนะบางทีเห็นหนอเห็นหมดเลยเห็นออกมาเป็นการคิดออกก็ได้ไม่ใช่ตองเพราะคิดหนอแล้วคิดได้เห็นหนอก็คิดออกได้เพราะฉะนั้นเหมือนกันไม่ได้มันไม่แน่นอนอย่างนี้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ต้องฉลาดในการถาม ขลาดในการคิดอยู่ไม่ใช่ว่าเอาหนังสือสอบรมเนี่ยให้เหมือนตอบเหมือนกันทุกคนเป็นปไดญญากแต่ไม่คล้ายคลึงกันแต่คนนี้ปัญญาเกิดทางไหนสมาธิเกิดอย่างไรวิธีการของคนเนี่ยทิฏีิสามั ญ, ญาตาไม่เหมือนกันทิฏฐสามั ญ, ญาตาไม่เหมือนกันการมันเหมือนกันยังไงอย่างาเช่นท่านรัฐมุนตีเนี่ยท่านมีกรรมเลยมาแล้วเรามีกรรมแหละ จะเหมือนการทุกอย่างไม่ได้มาทีมีมีไม่เห็นไอ้นอนเห็นเห็นเขาเห็นคาแล็บเห็นยิงห้อยเห็นสายฉายบางคนไม่เห็นบางคนก็อยากจะเห็นบ้างบางเห็นเห็นไปพระบุญบาตรลอยมาแต่บางคนก็อยากจะเห็นเนชานี่นั่งไม่ได้พลนเลยไม่ได้เห็นไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นบางคนบางคนเห็นเป็นเป็นหนังทะลุเลยเห็นเป็นภาพปยนตร์ไปเลยกําหนดแทบแทบแยกคนที่เห็นนี้มิดมากๆเนี่ยมันเป็นชางอดีตจําไปกิเลสเยอะมีเรื่องมากถึงได้เห็นมากจำมีเรื่องน้อยเห็นน้อยไม่มีเรื่องอะไรมันไม่เห็นเห็นแต่ปัญญาบางทีไปเห็นอดีตชาติอะไรมาแต่ต้องตั้งสติให้ดีนะ พวกครูบาอาจารย์ต้องบอกเขากำหนดให้ดีแต่เห็นว่าโยคีผู้ใดปฏิบัติเห็นนิมิตครูบาอาจารย์ต้องแนหน้าให้กำหนดให้กำหนดให้หน้าอย่าปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าปล่อยเสียเลยนะ่ไปเห็นอะไรเดี๋ยวก็เป็นฉากไปเลยนอนออกไปอย่างนี้นะเสียกระดิดผิดธรรมดาห้าเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าฉันนั่งไม่เห็นอะไรเลยคงไม่ไดผล ได้ผลมากเลยแต่นั่งแล้วมาปวดเมื่อมากแล้ว จ, จิตออกมากฟุ้งซ่านมากถึงขนาดตาล่วงนั่นแหละได้ผลแล้วจะได้รู้อดทนอย่างไรรู้เหตุผลเกิดขึ้นจากกรรมฐานนี้อย่างไรนั่งแล้วมาอยด้อะไรเลยเนี่ยไม่มีผลงานเลยเด้โอโอ้โหฉันนั่งเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแฟนมาลอยข้หน้าก็คิดถึงแฟนอยู่มันก็เห็นนั่นสิ เข้าใจไหมคะนี่คิดถึงแฟนมนะนะะพูดมันได้ยินไอ้ลูกกับผัวมันติด ก, กันจำไว้นะถ้าใครคิดถึงลูกมากอนุญาตให้ไปได้ลูกกับผัวมันอยู่ด้วยกัน จำไว้ถ้าผู้ชายรักธุรกิลูกก็ใครถ้าผู้ชายถ้าคิดถึงลูกอย่าพูดเลยเนาะเดี๋ยวจะเสียอารมณ์อย่างที่พูดมาปฏิบัติท่าเก็บอารมณ์นะแต่ยังได้สูญ ว, วิรัเนี่ย บอกจะเก็บอารมณ์ไหมแต่เคยทําแล้วเก็บอารมณ์ไปเลยพไปทําที่ใช่ดีที่นอนอนอนอพูดนอนทําความเพียรมาอยากคุยได้ไหมแล้วเดินไปเดินจงกรมเนี่ยไปห้องน้าห้องชาเดินจงกรมหมดทานอาหารก็เดินจงกรมรับอาหารก็เชี่ยวกำหนดแต่และกลืนแต่และแต่และแต่และคำแล้ว พรนอาจารย์เขาจะบอกว่าเดินจุกกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งนึ่งช่วโมงไม่ต้องพูดหรืเล่าให้ไปฟังแล้วไม่ต้องสวดมนต์ไว้พระไม่ต้องกวาดเลยทั้งหมดมันจะเก็บอะไรหมดรับรองเจ็ดวันต้องดาสอบรมอย่างเดยอะไม่ต้องให้ไปไหนเลยสองวันสามวันรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําคัญอะน่ะกากรรมฐานยังไม่ทันจะน่ะออกมาคุยแหละ พอมาคุยเนี่ยแล้วคุยยาวเชื่อแตก่อนยังไม่มานั่งกรรมฐ า, านยังคุยน้อยพูดยังไม่เป็นพอมานั่งกรรมฐ า, านเนี่ยพูดเป็นเลยพูดยาวเป็นหวาโดยเฉพาะพวกวิทยากรสอนไม่พักใช่ไหมล่ะนีะ่ยน นี่พูดไม่เก่งไม่เป็นไรนะอย่าไปแย่งกันพูดนะดูไหยอย่าไปแย่งกันพูดพวกที่มันน่ากรรมฐานเนี่ยมานเหงาหงอยซึมซาบซบเศร้าขอนั่งเลยหน่อยชักตื่นเต้นชักคุยไม่พักคุยไม่พัก พูดไม่มากเ่าพูดคนเดียวไม่รู้หาเรื่องว่าจะไหยบอกทำไมโยมไม่เรื่องเยอะนะนี่ฉันมานั่งของ เ, ขเรื่องมันเยอะจังมันผลขึ้นมามันเป็นตัวปัญญายานมันผลดขึ้นมาเพราานเนี่ยมันผลดขึ้นมาทำให้เรื่องเยอะแต่เขาอยากได้ญาณมากไปหาหลวงพ่อคูณนะญาณตรงเตง ถ้าหาว่าเจ็ดวันนี้ที่ผ่าวันอย่างที่ศูนย์ปากไม่พูดจิตไม่คิดไปสมาธิภาวนาได้ไหวมากปากยังพูดอยู่จิตยังคิดอะไรไม่มีทางไปสมาธิจำไว้เลยแต่ที่นี่มันแก้ยาเพื่อเกินแก้ไม่ได้แก้ไม่หายแต่ที่ศูนย์เราควรจะใครจะมาอยู่เจ็ดวันถ้ามาเดียมาเป็นทีมนะ ให้เข้าอยู่เลยไม่ต้องทำอะไรหมดถึงเวลาก็หาข้าวเลี้ยงกันแบบที่พระเขเวนละไปบินถือบาตรมาเลี้ยงไม่มีโยมแม่เจ้าคุณอยูเลี้ยงเสร็จแล้วไม่ต ก, กวาตไม่ต้องทําอยู่นั้นอรัญญาวาสีในป่าตลอดปฏิบัติตลอดแล้วก็ลปดกันพอพวกปฏิบัติได้เสร็จแล้วก็ไปบินถบาตมาเลี้ยงพวกนี้มาหลัย่างนี้นาข้าก็เวียงกันอย่างนี้นนตลอด ทันหุนเดียวไม่ฉันสองเวลามาสมัยพุทธกาลชั้นเวลาเดียวถ้าปฏิบัติพวกอญญารยวาศรีนในป่าไม่มีใครทำกับข้าวมาให้บินทบาท ต, ตามโพนต้นหมากลากไมก้ตามมีตามได้ตามที่โยมศรัทธามององค์นี้ได้นิโรถธรรมบัตรพ อ, อกเป็นธบัตรเทวดาจะมาใช่บาตก็้งลิ้งเป็นได้อย่างนี้เพราะฉะนั้น ใครมาอยู่เนี่ยอย่างที่ศูนย์เราควรจะจัดสถานที่เจ็ดวันเนี่ยเข้าไปเท็แถวแล้วจะเดินสวยออกมาแล้วห้ามประสนทั่วนาห้ามยาเยี่ยมทั้งหมดเจ็ดวันได้ผลแน่นอนั้งขันปากยื่ยนปากยาวหายื่งปากยาวบางทีหลบไปอยู่ตามวัดเงียบอดไม่ได้แล้ว พอจะคุยกันไม่ได้ไม่คุยกันไม่ได้เลยฉันไม่ได้คุยแล้วค่ะฉันพูดไม่ไม่พูดมันจะไม่สบายใจต้องพูดพูดมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทําให้เก็บอารมณ์มาอยู่งัน้นมาเก็บอารมณ์มาอยู่เช่นนี้เนะี่ยหมดทางที่จะเจริญกรรมฐานอย่ า, า, ายาดูดีกว่ามันเสียวเวลา แต่มาจนจนในทีมเนี่ยแบบนักเรียนเนี่ยก็เอาโอ้รมปฏิรวมนะอย่าไปเอาให้มันหนักจนเกินไปสาหรับเด็กเราต้องหานโยบายที่มันเหมาะสมควรจะล่าเลยมันเทิงนใจดนกามปฏิบัติของเขาอย่างไรเพราะเด็กเนี่ยมันชอบสามประการเท่านั้นเด็กชอบแรงจันทร์รัตกรฮะ ไม่ช่เด็กชอบความรักชอบให้พ่อแม่รักเขาแล้วอบอุ่นเด็กมันชอบความอบอุ่นแต่ว่าในเรื่องจริงเลยเดี๋ยวนี้พ่อแม่ไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกเด็กมันจึงจะไปรักเพื่อนมันมากกว่าที่พ่อแม่เนี้ยเด็กชอบความรักใช่ไหม ไปไหนชอบตามพ่อแม่เล็กๆชอบรับความอบอุ่นจากพ่อแม่สองเด็กชอบอยากรู้อยากดูอยากเห็นจึงต้องชนมันชอบค่นในนู่นคนในนี่แต่เราต้องพูดจาเขาดีๆพูดเ พ, เพราะสนใจบอกให้เขารู้เข้าใจสาหรับเด็กอยากจะรู้อยากจะดูอยากจะค้นไปหมด มันจึงชนถ้าไม่เขา้าใจจิตวิทยาในการเด็กเนี่ยเด็กเสียหมดอย่าไปตีหน่อยดีไหมท่านถ้วยแต่ก็อย่าไปตีมันอยากจะรู้ว่าในถ้วยมีอะไรโค่นหมดเด็กชอบอย่างนี้สามเด็กชอบอิสระเสรีไม่ชอบบังคับจะเกินไปแล้วรู้เด็กมาอบรมหรือทำอะไรเนี่ยค่อยๆเป็ี่ยนค่อยไป เด็กเนี่ยให้มันนั่งเฉยเฉยมันไม่ได้หรอกนะ บ, บังคับอิสระเสรีเดยกเมืันชอบเสรีของเขาเขาไม่ชอบบังคับเด็กเขาทุกนิสายเปยน็นยังไงแต่เราต้องมีนโยบายทําให้เขาชอบเราเราพูดเขายังจะเชื่อถ้าเด็กละเขาไม่ชอบเรานี่เขาเกลียดเราเนี่ยจะพูดยังไงมันจะไม่ฝังถูกหรือผิด ไม่ถูกก็ตามใจเนี่ยเราทุกวันมันหยุดเนี่ ย, ยวันนี้ต้องไปพูดที่บันมีคนแน่นหมดไปพูดเรื่องถวายพระพุชนในหลวงเลยไปให้ห้าพันบอกทางอำเภอเกรียมทำแบบนี้เรื่องกาทำว่าแผ่นดินทำเงินทองไม่ยากะไรให้นหลวง ทำนี้แค่ไม่ได้เลยเราต้องไปนำห้าพันคนนำต้องเสียตังค์เยอะบอกน่เพอเอาวันณสตังขอวันาสตังทุกคนไม่ต้องมากว่าจะถึงห้าเทนวาหลายเดือนปลายปีจะได้เยอะมันมีใครนำเราก็นำเลยให้ห้าพันเลยพอห้าพันแล้วทำงานอยู่ไหม ได้อะไรอีกรู้ไหมะคนที่นางก็ออกมันไปแถวหมดเท่านีียังตอบไม่ยากถ้าเราไม่ให้ห้าพันเนี่ยจะมีคนออกไหมน้ำหมุกระป๋าเลยคนน้ำไปแยวเขาก็จะตั้งใจจะสวัยแล้วสักพันหนึ่งนะเนี่ยสวัยค่ารถมัน เลยโอ้หลวงพ่ออุตส่ามาน้ำห้าพันเอาเพให้ไปอีพันเป็นสองพันวันนี้ได้สองพันหมดแล้วหมดแล้วเท่ารตะเก็นน ห, หลวงทำกิจกรรมเหมือนทำเล่นแล้วตะตามก็ไม่มีการโทวนี่นนลเลยเราไปให้ห้าพันบอกเนี่ยที่วัดนี่สวดทุกวันที่ห้ารวมไว้ทุนชายพัฒนาบอกนายเพิ่มมันี เอาตังนี้ไปรวมเลยวันวันนี้ได้หลายสะตังคนโน้นบ้างคนนี้บ้างคุณเอาสิบบาท2ี่สิบก็ได้เป็นปึกก่อนึกว่าคุณยาถวายนี้หลวงไปบอกให้ไอ้เพอทาบัญชีกับนายกเทสมุนตรีจัดการนี้ยก็บอกครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนช่วยกันสนยเราสวยเรียบรวันที่ห้า แล้วก็บอกพว้คนแกนไปเชิดสวดกันสวนอิจะไีย์โสภควาก็ได้แต่ไม่ต้องเอเงินมากเราคนนสตังค์สตงังค์เขาได้ไหมเนะีได้ไหมอย่าเอามากบอกเขายังไม่ต้องมากถาวายทีหลวงแค่สตังค์เดียวแต่ในหลวงทรงงานหนักเหลือเกินคิดถึงตรงนี้เมื่อกี้ อย่าไปชอปปิ้งขน ม, มากนะที่ขอนแกน่ออกคนลาสตางค์พออย่าออกมากนะบอกเขาอย่าออกมากเยอะเงินไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนมันจะเยอะไปนะเ อ, อาแค่สตางค์เดียวพาพรมิมน ก็ตังเรียพอออกได้ไหมะ อ, อย่าออกมากนะแต่าขายอยากรวยทำยังไงอยากรวยทำไงอยากรวยทำอย่างไ ร, ร, งไ ร, รนะจศูนย์เราก็ช่วยกันนี ในวันนี้ก็เด็กแล้วนะก็ขอนมูธนาสาธุ ก, การแก่ท่านหลากหลายตัมมาก็กลับมาจากบ้านมนีก็มาก็เจอแขกก็เข้าโบสถ์ออกมาตั้งเขียนบทหน้าเดี๋ยววคนที่เจ็ดบทสิบแปดองค์บทสิบแปดองค์ต้องเขียนเองเขียนเสร็จแล้วก็มาเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องไปโทรศัพท์ทางไกล ก็กลับไปไปทางกลายไปหาแฟนที่คนแก่แล้วก็ขอฝาายญาติโยมไป็นไงกับข้าวไปไงบ้างพอทานได้ไหมนแล้วก็ตอนเย็นมีเบียร์มีไวายไหมรับทานในอิ่มแล้วก็ปฏิบัติให้มากๆ มาครั้งนี้ก็ขอให้ได้อะไรไปบ้างตามท่องควรแก่แตภาพต่ามาคิดว่าน้ำเชิญบอดชายในภาพปฏิบัติขอให้ยาเล็กได้น้อยเก็บเล็กผสมน้อยมันก็มากไปเองแต่ก็พยายามจดจำไว้แล้วก็พยายามทำถ้าทำได้เองเนี่ยมันจะจำได้แม่นถ้าทำไม่ได้เองเนี่ยจำไม่แม่นไปจำโดยบอกเล่ากันมาเนี่ยมันจะจำไม่แม่น ตะจาแม่ตอนตอนที่เราทำได้เองทำได้เองนี่มันฝังใจเลยนะฝังหัวใจมันจะขยายความได้ง่ายแต่เราทำได้เราจะขยายความง่ายจะพูดเขาเข้าใจง่ายดิแต่เราขยายความไม่ได้เพราะาเราจาในหลักธรรมที่เราทำไม่ได้เราทำได้ตอนที่เขาสั่งมาหรือเขาบอกมามันขยายความยากรายะาปฏิจจตังเวตาโพวิยูหิเรารู้ได้จาพาะตัวเอง เราทำได้เราจะขยายความได้ชัดขึ้พูดกับคนอื่นเข้าใจได้ง่ายเพิ่มขึ้นอาว่าเราท่านทั้งหลายเราการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรือ่องยากเราทําไปเสมอต้อนเสมอปลายทําไปทุกวันมันก็น้ํำซึมบอบชายมันก็สะสมหน่วยกิตว่านิชุดของเราตลอดโดยมองไม่เห็นในปัญญาของเราจะได้แก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการ ขอโมทนาสาธุการฝากไว้ทุกท่านเป็นผลงานประจําชีวิตเป็นข้อคิดของเราเรามีสาติปัญญามันจะแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องไปพึ่งใครเลยมาตัวไปพึ่งใครมันจะออกไหลออกมาเองมันจะมีปัญหาถึงใดที่จะแก้เราจะได้แก้ได้ศูนย์เวรุวันของเราก็มีชื่อเสียงโด่งดังใจเสียชื่อเสียเสียงเสียทรัพย์สมบัติ ที่เราได้จัดตั้งไว้ด้วยคนอื่นก็จะไปสมประสานให้เราตลอดเพราะผลงานเป็นอนิสงส์ที่หลังมาไหลมาเทมาเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้หลังมาไหลมาเทมาเป็นอนิสงส์เป็นผลงานประจําชีวิตประจําถิ่นประจําฐานประจําบ้านประจรําเมืองจะได้รุงเรียมวัฒนาสถาพรตลอดการประวัติาสตร์ขอขอความสุขสวัส ด, ดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงรุ้งโลดวัฒนาการวัฒนาสถาพร ขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนาสุขาภระปฏิพานานาสารทุบัติเนื้คลืนจิตหนึ่งปฏอการได้สมความมุ่งมา่นปัฒนาด้วยการทุกลูกทุกงนาม น, นาโอกาสบัดนี้เทินความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์สุดนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวโชวติปริยันโนผู้ปฏิบัติธรรมตรงเน้นตรงนี้ ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นปัจจดตังใครจะทำให้ใครไม่ได้ใครจะช่วยใครก็ไม่ได้แต่การที่จะช่วยเหลือกันนั้นโดย ก, การให้การยืนการสงเคราะห์การนุเคราะห์สามารถทำได้ทุกอย่าง เราจะช่วยการโดวิธีใดก็ได้ถึงน้ช่วยแบบช่วยหามช่วยงานให้เรียบร้อยถึงเรียกว่าขยันเฉพาะในหน้าที่การงานและทำสิ่งใดด้วยความไม่ประมาทใช้ปัญญายาหาเหตุทับผลแก้ปัญหาจัดงานจัดการเรียบร้อยนี่ช่วยกันได้ แต่เราเมีเจีาสายก็จะช่วยกันอย่างนี้นด่าเดียบร้อยเป็นจะไม่ทิ้งงานทิ้งการมีความจริงใจจบแต่ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีอยู่ข้อที่ท่านจะคิดหรือไม่ความบริสุทธิ์ทำให้ใครไม่ได้การที่ยงมีสติคือทำให้ศีลบริสุทธ ทำให้ใจสะอาดโดยสุดทำให้กรรมไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยเราจะช่วยแก้ปัญหากรรมของเขาก็ช่วยไม่ได้เราเป็นปัจจิตังปฏิบัติ ท, ทําโปรดสำนึกสมัญญาเราจะช่วยใครได้หรือพี่เอยน้องเอ๋ย พ่อแม่ก็ช่วยแล้วได้แค่นเดี๋ยวจะเลื่อนพรลกล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่าเราเนี่ยคลอดมันจะคับพาเข้ามารดาแล้วก็ต้องช่วยตัวเองตลอดมาจนมาเห็นดินฟ้ากาบไม่มีคนอื่นช่วยเราเลยหกหัวหกหางคลอดจะคับพาเข้ามารดาแล้วก็ช่วยตัวเองมาตลอดเราจะเห็นลูกไก่ มันฟักมันก็ช่วยตัวเองมันเอาตงออยของมันอะ่ะก็เปาะไข่ให้แตกแล้วมันเอาขามันเนี่ยดิน่นให้ไข่ออกมาเป็นสองชิ้แล้วมันก็ออกมาข้าง น, นอกแสดงว่าไก่ต้องช่วยตัวเองเหมือนกันสัตวทังหลายเองก็ยอมจะต้องช่วยตัวเองอย่างนี้ <c oughs> การเห็นเขาไก่เขาฟักดูที่มันจะออกลงไปดูมันช่วยตัวเองไหมไม่ช่วยแม่ไม่ใช่แม่ไก่จะจิกเอาลูกออกจากไข่คงไม่ใช่มันแก่แล้วมันจะต้องออกมาแล้ต้องช่วยตัวเองทั้งหลายโปรดสํานึกสมัญญาคนไว้ให้มาตอนช่วยตัวเองทั้งนั้น ช้างตัวใหญ่เบอร์เถอตกหลมไปครึ่งตัวแต่เราไปช่วยช้างตัวเล็กกับช้างเราก็ต้องตายเราต้องตายทําไมถึงจะช่วยช้างคือจะหลมได้หาคาตอบมันจะมายากต้องเขาช่วยตัวเองแล้วเขาใหญ่มากเขาเนี่ยถอนถอนเท้าอตกหล่นได้ ถอนได้เขาก็ช่วยตังได้แต่เขาถอนไม่ได้มันก็จมลงไปยิ่งดินยิงจมยิงยิงยิงจมท่านทั้งหลายฟังให้ดียิ่งดินยิ่งจมดินล้นไปทําไมดินล้นไปทําไมจมลงไปจมลงไปต้องถอนเข้าใจคํานี้ไหมเนี่ยทาไมถอนท่านก็จมเหมือนช้างัอนตัวออก อตัวจากความทั่ว้ายเวลว้ายในสุขคมเถิดประเสริฐแล้วกานผู้ปฏิบัติท่าทั้งหลายถ้าท่านไม่ใช่ทั่วตัวเองไปไม่หรอกธารมาพูดมาเย็นเนี่ยมาแหกข้อช้างปลอกแตกช้างปลอกแตกอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องแตกมันตกมันมันขาดสติใช่ไหมช้างไม่บริสุทธิ์เนี่ย มันไม่รู้ขังคืนขังแรมอย่างมันต้องเหยียบคนตายฆ่าเจ้าของตายแต่เราขาดสติมาลายจะฆ่าตัวเองตายมาันเข้าใจคำนี้ให้ได้แต่เราไม่มีสติสติขาดไปมาลายจะฆ่าตัวเองมันนะแต่เรามีสติสัมมิชัญญะดีสติสูง 80% คนนั้นจะบริสุทธิ์ คนนั้นจะบริสุทธิ์ปฏิบัติธรรมทั้งหลายแต่เราทั่วตัวเองไม่ได้เราเป็นช่างถอนตัวออกไม่ได้เราก็ต้องตายถ้าดิ้นล้นยิ่งลงยิ่งดิ้นยิ่งลงยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนรถรถไปตกลงยิ่งฟรียิ่งดิ้ น, นมันยิ่งลงลงไปต้องถอยออก ไม่งั้นรถก็ลงหลงไปลึกถอยก็ไม่ออกทำไมก็ต้องยกยกออกปฏิบัติทำทั้งหลายถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองท่านก็หมดทางขาดสติไม่ได้ขาดความบริสุทธิ์มันคนที่ไม่มีสติก็คือคนบ้า เห็นหนางปตาจจลาเป็นต้นผ้าพรอนไม่หนุงจะเรียกว่าขาดสติใช่ั้มแต่ก็ควรจะตอบใหม่วิวกลจริตผิดมนุษย์ผิดมนุษย์เขาช่วยตัวเองไม่ได้เลยเขาเมื่อแปดด้านช่วยไม่ได้เขาจึงไม่มีความละอาย คนที่มีสติฉัม่ชัญญะจะมีความอายคนที่ไรส้สติฉันไม่ถือวันนี้เข้ามาบอกรายงานไปห้าลานจากอเมริกาขยันเรียนหนังสือหมดเพราะอร่อยจึงขยนันแต่ก่อนชี้เกียรติสุดหลายเงินพ่อแม่มากหลายพ่อแม่ไป็นผู้แก้ไม่ใช่ลูกแก่ลูกมปเรียนหนังสือซีเศรษฐกิจไม่พอปากพอท้องเป็นหนี้เขา ขาสติเมื่อแตกด้ไม่รู้จะไปหากินยังไงจะมาใช้หนี้เขได้ดินลนจนแจ้งไปเลยคําว่าดินลนต้องถอนต้องถอนถอยหลังออกอย่าดินลนถ้าดินลนแจ้งทุกรารคนที่เป็นหนี้เขาถ้าดินลนไปดินลนลนลนไปลนไ ป, ไปหาเงินมาใช้หนี้วิ่งแจ้งเลยยกตัวอย่างให้เห็น พวกเล่นการพนันเดี๋ยวก็เห็นเลยเล่นเสียเสียจะเอาตามเงินเอาเงินตามเงินเอาเงินตามเงินจะได้ไหมนั่นแะ ด, ดิ้นไปให้เจงเชงปีไม่ลงเล่นหวยใต้ดินเหนอหมดตปห้าบืนเอานาลงไปเชื่อเดือดดิ้นลงต้องถอนถอน ห้าเขต้องถอนดีแล้วไม่พออยากจะรวยตะเกียรตะกายหมดเนื้อปัญหาตัวไปยื่นหุ้นหมดเงินเนียหมดเงินใช่หรือไม่ผู้ปฏิบททัติธรรมมองในแง่นี้ท่านจะมีสติท่านมีสติดีท่านจะมองในแง่นี้ทุกประการก็ต้องถอนตัวอย่าไปมั่วบปยามกอย่าหาความสนุกในสังคมต้องถอนตัวออก เหมือนช้างต้องช่วยตัวเองเราไปช่วยช้างไม่ได้แล้วช้างมันใหญ่ดีมาดีมันก็ท้าเราตาต้องให้เขาช่วยตัวเองใช่ไหมถ้าเราไม่ช่วยตัวเองตายเนี่ยเราใหญ่แต่ไม่ใช่ตัวเล็กเซนเตอร์ลำยายตัวเล็กแต่จะว่าใหญ่ได้ไมใหญ่ย่อยด้วยการเงินใหญ่โยกอานาจวาสนา ย่า่ด้วยการเงินใหญ่ด้วยอำนาจวาสนาถือว่าใหา่คนอื่นช่วยดรอกเตอร์ไม่ได้ช่วยแบกหามได้ถ้าในเรื่องในด้านจิตหรือในด้านลึกๆช่วยไม่ได้ในด้านความรึกซึ้งเข้าใจไหมเนี่ยใครจะกล้าไปช่วยใครจะบังอาจจะดรอกเตอร์ถ้ารอกเตอร์ไม่ช่วยตัวเองไม่ถอนเพราะรู้แล้ว รู้มาแต่ไม่รู้จริงนี่เปรียบเทียบนะไม่เช่ว่าเขาเติร์เลยกลายเป็นคนรู้มากช่วยตัวเองไม่ได้ดังที่กล่าวชัดเจนรู้จริงไหมเนี่ยเลยคนรู้มากจะแก้ไขตัวเองไม่ได้ต้องรู้จริงที่จะแก้ไขตัวเองได้ได้ทำนาเลยรู้จริงต้องทํารู้จําตรงทองรู้แจง้งตรงคิดก่อน ถ้ารู้จริงอย่างนี้ต้องเข้าหลักนี้ถึงจะแก้ไขถอนตัวออกหน้ารู้ไม่จริงแย่มากมันรู้มากถามอะไรรู้หมดไหนมารู้หมดเช่นนี้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้อับอายขายหน้าเขารู้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้แปลว่ารู้ไม่จริงรู้จริงต้องทำได้รู้จาต้องท่องมา รู้แจ้งต้องคิดก่อนถึงจะแจ้งถึงใจนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยตรงนี้โจดดิคิดพิจารณาตัวเองให้มานดูเถอะนะเราอยู่ในท้องแม่ทะ ล, ลึกได้เราจะรู้ว่าเราช่วยตัวเองได้มาถ้าเราไม่หกหัวลงมาจะออกได้ไหเคยอยู่ในท้องแม่ไหมเคยออกอยังไง ร, รู้ไหม ื่ผพาท้อออกคลอดมาทางไหนต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นพอเวลาแม่เบ่งเวลาเบ่งเบ่งอืดๆมันเนี่ยลูก็ต้องช่วยตัวเองถ้าไม่ช่วยตัวเองออกไม่ได้ออกไม่ยากหรือเหมือนลูกไกย อยู่ในฟองไก่เช่ไข่เขาก็ต้องทั่วตัวเองเขาก็ต้องตะเกยียรตะกายให้ไข่มันแตกออกแล้วก็ปากมันตองงอยเนี่ยมันก็จิกไข่ไข่แตกพอแตกแล้วขาก็ท่วยตะกายใช่ไหมอย่างนั้นใช่ปา่ามาอยู่ในท้องตะกายอย่างนั้นไหมเราตะกายให้ท้องแม่แตกทิ้งก็ออกมาทางท้องใช่ไหมอย่างนั้นใช่ม นี่อ่ะชั้นใดก็บชั้นนั้นต้องทั่วตัวเองต็หลบตั้งแต่เป็นเด็กเล็กตั้งแต่คลอดออกจากมารดา น, นี่แหละคนมีสติจะรเลึกชาติได้ว่าอยู่ในขับพาของมารดาอย่างไรคลอดมาอย่างไรแต่เราไม่ชาติได้ตั้งแต่ในขับพาของมารดาเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้ตนโลกกวิทูรู้แจ้งโลกตลอดมา แต่นี่การเจริญพระกรรมฐานเนี่ยการแก้ปัญหาและการสร้างปัญหาชีวิตได้อย่นงไรสาีิมีประโยชน์ของชีวิตตลอดในการเช่นนีน้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยไม่เรื่องเล้วหลจรดการได้อต่รทั้งหลายช่วยตัวเองไม่ได้หมดทางเนี่ยยิงดินยิงลงยิงด่นยิงล ง, ง, ง, งต้องถอนตัวทันที นี่แหะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเป็นปัจจตังยาามช่วยตัวเองตลอดใครเขาจะช่วยเราได้เรื่องจิตใจใภายในใครช่วยเราไม่ได้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตัวเราทั้นการบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวเราคนอื่นหารู้ในภายในส่วนลึกของเราไม่แล้วก็ช่วยเราไม่ได้ด้วยจะช่วยเราได้เฉพาะแบกหาม หรือญาติวงพงษาวงเทวันฐานเดีย ว, วยยกัช่วยยกเผยแบกสา ม, มีภรรยาก็ชะดุกแต่ส่วนลึกความดีมีปัญญาสา ม, มีภรรยาก็ช่วยกันไม่ได้ถ้าตัวไม่ช่วยถึงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจงึงสูงสุดในพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่สูงกว่านี้ เ, ยเลยการเจริญสติปัฏฐานสี่เป็นการสูงสุดพระพุทธเจ้าจึงให้ชื่อฉายาว่าสายเอก ไม่ใช่สายตรีจตัต ว, วาเป็นสายเอกนรือวิชาเอกทางพระศาสนาเป็นวิชาเอกเลยวิชาที่ชั่วตัวเองได้ชัดเจนยับยืดตัวเองได้สอนตัวเองคือก ต, ติสัมพัญธยะเป็นการสอนตัวเองได้ชัดแจ้งแต่ทําไมไม่เอากันจะขอฝากท่านทั้งหลายไปด้วยแต่มีเด็กเข้าวัดเด็กช่างพันมาก ห ล, ล่อหลอมให้เขามีสัตยายดับถ้าหลอล้อมเข้าได้ลับลองเสร็จเราเนี่ยถ้าหลอล้อมเข้าไม่ได้ล้อมไม่ในเบ้าเทไม่ติดล้อมไม่ละลายล้อมไม่ละลายเทพระไม่ได้เข้าใจคำนี้ไหมเนี่ยล้อมไม่ละลายไปเทอะไรหน้าเป็นอะไรไม่ได้เลยถ้าล้อมละลายมาไม่ดับ เทอะไรได้ทุกอย่างดินแข็งแขงปั้นอะไรได้ไหมดินแข็งเนี่ยปั้นอะไรได้ไหมนะดินอ่อนถึงจะปั้นได้ถ้ามันแข็งอย่าง น, านี้ปั้นมันได้หรือ ต้องเอคอนทุบให้มันอ่อนก่อนคอนทุบให้อ่อนก่อนหัวแข็งดือ้อต้องทุบลักวัวต้องผูกรักลูกต้องตีลักมตกีต้องค่าลักหน้าต้องคิดลักนีต้องเตืนกันตีด้วยอะไรตีด้วยแบบอย่างตีด้วย้ิสัยปฏิ จ, จัยไม่ใช่เอาไม้มาตีหัวแตกดูดูเนี่ยใครก็จะชอบ ดูไม่มีใครชอบชอบยากไหมชอบยากไหมชอบยากไหมพระพุทธเจ้าสอนชัดเจนีนฝรั่งมันค่ายอมรับของเรา นสดงว่าสูงสุดในผู้ศรัทาไม่เยอะสูงกว่านี้เนี่ยเป็นหลักธรรมคาสอนที่สูงที่สุดแล้วสามารถจะแก้ปัญหาชีวิตและบรรบับทุกข์ได้แก้ทุกข์ได้เลยการไปทําบู้างโบสถ์สักร้อยหลังก็แก้ทุกข์ไม่ได้แล้วก็สร้างเสลาสักร้อยหลังก็เป็นญาติกับพระศาสนาไม่ได้ญาติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมเป็นญาติหมดทุกคน มันมีรักพลานาตาัวกลางเลยเท่ากันได้หมดทุกคนหลับกันได้หมดทุกคนมาจ้องดิ้นโนที่หนมีแต่เมตตาอย่างเดียวทำอะไรก็ช่วยเหลือกันตลอดมาหยาดหน้าหยาดีอะไรของใครแล้วสันโดดมากน้อยก็จะเกิดขึ้นความรักอันซึ้งว่าความผูกภานในความดคืีธรรมะมก็จะซึ้งแล้วก็ผูกได้แน่นหนาคือสัมมาคี จะมีเมตตาเรียกว่าสัก จ, จะเมตตาสา ม, มัคคีมีวินัยจะมีความจริงใจต่อกันจะมีความสา ม, มัคคีร่วมกันจะสร้างอะไรทำอะไรสำเร็จหมดนี่คือว่าญาตสา ม, มัคคีถ้าเราไม่มีความจริงไม่มีใครจะเชื่อถือเลยความจริงใจ กัจจะไอ้คำว่าเมตตาเนี่ยทําให้คนสามาัคคีกันด้เมตตาแปลว่าการให้ช่วยเหลือด้วยเมตตาและปรารถนาดีทําให้คนเรารับสามาัคคีมีปัญญาได้ถ้าเราปราศจากเมตตากันแล้วไหนเลยใครเพิ่งจะมาสามาัคคีกับล่าถ้าเราให้เขาไปเนี่ยเขาต้องให้เราต่างคลนต่างให้ต่างคนต่างช่วยต่างคอนต่าง ช่วยเหลือกันถ้าเกิดความสามัคคีกันรองดองกันไม่แตกแยกกันแน่นอนจะพันึกไว้ตัวแน่นหนาเรียกว่าผูกพันด้วยเมตตาไม่จะผูกพันด้วยความรักแต่ผูกพันด้วยความรักอาจจะชิ้งหักพลางคันได้ถ้าพันแน่นด้วยเมตตาปรารถนาดีเพ็นสามีภรรยารักกันด้วยเมตตาเหมือนญาติพี่น้อง เหมือนเพื่อนเล่นและเหมือนเพื่อนร่วมใจหรือภูร่วมใจและผูพันกันนานมาก <c oughs> ไปหลายชาติชายฤทธ จ, จิงหญิงแท่เป็นคนแก่ที่บูชาก็ามีคู่เดียวคือทิจจานุกชาติมาได้ถึงแปดสิปสงขันมีคู่เดียวเท่านั้นไม่เคยแต่แยกกันเลย ชายจริงคือปาจิตกุมารหญิงแท้คือออรพินเทวีนั่นคือพระพุทธเจา้าไปเลือกคู่ที่ไหนก็ไม่ชอบต้องชอบเป็นคนนี้ถึงจะรักแท้แน่นช่วงนมหัวหน้าหนุ่หัวใจก็ต้องชอบคนนใจเดียวเด็ดเดียวหัวใจเดียวเดี๋ยวนี้มันหัวใจหลายหัวใจแล้วคนเราเนี่ย ขาดสติไปมากเราเตะจามไว้แล้วช่วยเขามากเขาจะรักเรามากเราช่วยเขาน้อยเขารักเราน้อยแล้วยังไม่ได้ช่วยใครเขาไม่รักเราเลยเดี๋ยวด้วยไหมไม่เห็นไม่เป็นไรขนแก่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่รักเราแล้ ว, ลวเนี่ยคนเนี่ยมันเป็นอย่างขาดความจริงใจถ้ามีแม่ตาไมีสติดี ถ้าสติดีเนี่ยกำหนดจิตให้มีสติจากบริสุทธิ์ชัดเจนควอนบสุดเนี่ยต่อหน้ารับหลังเหมือนกันเหมือนพัดสองหน้าพัดตีก็เป็นพระครูเนี่ยจะมีสองหน้าเหมือนกันโจงกันไปหน้าอย่างไงหลังก็อย่างนั้นแต่พัดอย่างนี้มีทั้งข้างหน้าข้างหลังไม่โจรหลังไม่มี นานเดียว<ม>เขาเรียกพัฒนานา น, าน้นานการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสูงสุดและบบิกฉุดมากคือต้องการให้มีสติมากขึ้นแต่มีสติมันย้อนหลังได้ย้อนได้ใช้เวลาไกลามากอย่างนั้นขอฝากไว้อย่างนี้เราจะดูคนออกบอกหน้าใช่เป็นอ่านตัวออก เราอ่านตัวออกมาพิสูจน์ตัวเองนะการมาปฏิบัติธรรมต้องการพิสูจน์ตัวเองมันจะไปพิสูจ น, น์คนน้นพิสูจน์คนนี้อีกคนเลี้ยงคนดีไม่ใช่อย่างนั้นเนินไม่ถูกต้องเราจะได้รู้ตัวเราผิดหรือถูกเป็นการตัดสินใจได้แน่นอนและเข้าใจว่าถูกต้องจะได้ไม่ไปว่าเขาเขาว่าเราไม่ดีเราก็จะยอมรับว่าเราไม่ดีจริง เราจะได้แค่ไขถ้าเราไม่ปฏิบัติทำข่าวสถีร์อะใครว่าจะต้องโกรธโกรธเลยมินท้าโกรธแน่นอนเราว่าเยะคนนี้ริบล่างไม่ไมเป็นเรื่องเลยริบล่างไม่คดค่าต้องว่าเขาเลยเราเคยเนี่ย น, นี่ชาวโลก ตอนยังมามูวดเดินผ่านลูกสาวไปขับทั้งที่ลูกรลานเขาดีๆแต่ๆแล้วบอกลูกสาวใครลูกหลานมันก็ตะมอดุงของแง่ไปอาเฮียเรียกตรา อ, อาเฮียเลยพอเจอไปกิ่มหนึง่งลูกสาวใครสวยมากเดินมาผ่านหลายตำบลเลยไม่สวยงั้นคนนี้เลยพราพระของแง่ไปยิ้มแย้มแท้ๆ แล้วเขาจะว่าเราเป็นตะมอโยงหรือว่าสวยยังไงเรามีสติดีก็ปกติมันมีการเหยื่อเหเมื่อเขามันว่าเราเสียหายแล้วก็ไม่เห็นเสียด้วยนี่คนมีสติเป็นยังสำคัญคนไม่มีสติมันจะอักขติคนขาดสติจะอักขติเรืองอักตินี่ให้นอนเขาขังตัวเองเลยคนที่ไร้สติมันขาดสตาง จะเข้าข้างตัวเองเสมอมันมีคําว่าสมถะไม่มีคํ า, าคว่าสันโดษไม่มีคําว่ามักน้อยจะไปการใดจะเห็นตัวดีเสมอจะไปเห็นมองคนอื่นในง่ร้ายหมดงองในแง่ของตัวเองดีหมดถ้าคนเรามีสติ ด, ดีจะไม่อคติจะพูดลงไปลงมาใครว่าเราไม่ดีเราก็จะไม่โกรธเราก็พูดจริง แต่ทำให้เราต้องอยาบและหมาต่อไปชัดเจนอย่างแลผู้ที่จะมานั่งกรรมฐ า, านก็ขอฝากทรัพย์ที่พระปิสุก็แสดงอาบัตแสดงความเบริสุดแต่หากว่าทำตามที่เราว่าไม่ต้องพูดกัใครเลยเนี่ยจะช่วยตัวเองได้มากแต่เรายิ่งพูดเนะยหรือคุยกันอย่างนี้ อารมณ์เสียหมดอารมณ์เต่ามันจะเข้ามาแช่อารมณ์ดีมันจะหายไปสติมันจะตกจิตจะตกกลวงวนตมาเคยกล่าวให้ฟังแล้ววันก่อนจิตไม่สงบมีอยู่แปดประการจิตไม่เป็นสมาธิก็มีเจ็ดปรการนี่พูดไปแล้วถึงเจ้ามาตรงสามจิตไม่เป็นสมาธิเพราะอย่างขัดคนเนี่ย อารมณ์ร้อนเนี่ยใจร้อนเนี่ยสมาธิมันจะเกิดเนี่ยพูดช้าๆนะอารมณ์ร้อนใจง่าดใจไม่หนักแน่นไม่ควรมีสมาธิคนที่รักคนง่ายรักง่าและเกลียดง่ายคนนี้ไม่มีสมาธิคนที่รักยากและเกลียดยากคนนั้นหนักแน่นมีสมาธิดี ไม่คิดหลายเรื่องในเวลาอยู่กันบางทีจะเจอใครรักเลยหายหลังไปยังประชานจะกราบเนียเกลียดแหละเพราะฉะนั้นคาคิดของเราว่าจะ่รักใครอย่ารักให้หมดตัวเอาไว้ครึ่งหนึ่งเด๋ยจะเกลียดกันมากจะวางหน้าไว้สิเด๋ยจะเกลียดใครอย่าเกลียดทั้งหมดเอาไว้รักกันในอนาคตเผื่อรักกัน จะได้ไม่ต้องมีเสียเวลาทัง้งที่จะไปเกลียดใครจะเกลียดทั้งหมดเนี่ยอย่าศูนย์เดรริวันเนี่ยขีดสมัมเดรรนบอกเขาเนี่ยนีย่ฉันรักแตแล้วแต่ฉันไม่รักให้หมดตัวหรอกทนลุงอยู่ชั้นเกลียดกนันแล้วนะรู้ไหมแต่ชั้นเกลียดกันไม่หมดหรอกเผื่อวันหน้าเราจะรักกันก็พูกกองโกงก็ได ดูกล้องก็น่าไม่เห็นเสียหายเลยทลายใครหมดตัวเลยเนี่ยท่วยไม่ได้ถ้าไปเกลียดกันวางหน้าไม่สนถ้าเกลียดกันหมดเลยเนี่ยไม่มองหน้าเลยทั้งลูกหลานถ้าเกิดลักเป็นขึ้นมาหน้าตาจะวางอย่างไงจะวางหน้าตายัางไงวางตรงไหนาวางไว้ข้างหลังเนี่ย ในเรื่องครอบครัวอะไรนักไทยอย่าไปสนใจยอย่าไปสนใจผู้เจ้าสอนสามีภรรยาเขาทะเลาะกันอย่าไปสนใจยอย่าไปเข้าข้างภรรยาเขาเอาข้างภรรยาไปว่าสามีเขาไม่ดีแต่เขาดีกันจะเป็นไหงไหนักปฏิบัติเขาไม่สศมอย่างนี้เข้าใจนะอย่าให้มันเสียหายต้องเป็นกลางยาขติ ถ้าคนมีสติครบวงจรบริสุทธิ์จะไม่อคติจะไม่เข้าข้างใครทั้งหมดและก็จะไม่เกลียดใครไว้ในใจมีความปรารถนาดีต่อทุกคนทั้งดีทั้งหนึ่งชามิคีรุทุกฝ่ายะ่ายเขียวฝ่ายขาวก็สามัคคีรั ก, กสร้างความดีร่วมกันไม่งั้นเสียความสามัคคี ขายความดีเชนีดใครเขจะช่วยเรารเพราะฉะนั้นกายกับจิตเราก็ยังไม่สามัคคีกันคนเราคนเดียวนี้ยังไม่สามัคคีกันแล้วจะไปให้คนอื่นสามัคคีได้อย่างไรเพราะตัวเองพูดชิงคืนเทมลองคือไม่สามคัคคีกายกับจิตไม่สามัคคี่ไหนเลยแล้วคนอื่นจะมาสามัคคีกับเราได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมพระเจ้าสอนชัดเจนมากไปลา ม, มาวัด ได้รับพร อ, อันนี้ไปเน้นเด็กหน่อยเวลามาไหว้ไหว้พ่อแม่สา ม, มให้ได้เวลาไปโรงเรียนไหว้พ่อแม่สามโหจะเป็นระดับอนุบาลนิชันปถมมันยมระดับวิชัยไรก็ต้องลาละอวุโสพันเตก็ต้องลาใครเป็นคนบวชบวชพระแนปะวปุรุชาจะต้องจดเวลาไว้เย โศขามติสังกัษโสภาเสยยะเขาต้องตัวเวเพื่อต้องการให้เขาลบปุยยะเขาลบอาวุโศ ส, สองพันกว่าปีอย่างี้ใช่ดีเดี๋ยวนี้ไปก็ไม่ลามาก็ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ตายโผงเปล่า ไ, ไปตายที่ไหนจะไปตามศพถูกเทวดาไม่รักษา เ, เพราะฉะนั้นตะเพนีปฏิบัติธรรมจึงมีมันวันทามีพุท ธ, ธอย่างที่กล่าวพุทธที่ ข อ, อโหสิ ก, กรรมต่อสถานที่เข่ามืองลูลูตาตามอย่าบังอาจในสถานที่เขาชัดเจนเลยเนี่ยโหสิ ก, กรรมซะยา้ายมีเวงตามกันต่อไปเลยอย่างนั้นเวลามาว่าเน้นให้เด็กฟังให้เขาปลูกปณิสัยโตขึ้นจะอ่อนน้อมท่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอนเขาจะว่านอนสวนงน้า คนที่สวดพังเมื่ตตาแล้วก็อ่อนน้อมคนที่มีธรรมะจะอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่ไม่มีธรรมะประจํจาใจจักกระด้างค้างแข็งพูดจาเลี้ยวแหลกแตกลานพูดเฉพาะพูดเท็จสอเสียดคยําหยาบเพื่อเจตตลอดไม่มีการพูดจริงเลยและมีความจริงใจต่อกันแล้วก็บอกเด็กเ้าให้ดูไปลามาไหว้พยายามสอนมรารยาทและวัฒนธรรมให้ดับ วัฒ น, ธ, นธรรมมีพุ้ใจยอยู่สามข้อหนึ่งเคารพผู้ใหญ่สองจะได้มีระเบียบวินยัยสามประเพณีหมู่บ้านจะได้จึงใจไว้เป็นวัฒ น, ธ, นธรรมของประเพณีตามถิ่นฐานของบ้านอย่าเสียประเพณีไม่ได้เลิกประเพณีไม่ได้าหากว่าจะไปพูดฝรั่งถามว่า วัฒานาธรารมของไทยหัวใจมีอะไรบ้างตอบสามข้อพรังโอเคเลยตอบสามข้ออย่าไปตอบโลประวันนี้จุดบ้องไฟบ้องไฟพยานาะคอาคนตายเลยฮนะมันบ้องไฟปลอมแล้วเบิดขึ้นมาทางไมวัฒนาธรรมของไทยหัวใจมีสามข้อหนึ่งเคารผู้ใหญ่ สองมีระเบียบวินยัยสามละเพลงนวัฒนรามินชาติปรากฏชัดถ้าไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่มีระเบียบวินยัยขาดการเคารพผู้ใหญ่ไม่ไปลามาว่าจะไม่วินยนะัยไหจะมีวินยนะัยไหมจำไปเลยต้องเคารพผู้ใหญ่เสมอข้อแรกเลยทนะาไมเคารพผู้ใหญ่ไม่มีระเบียบวินยัย สวัฒนธรรมขอชาติดับลาโคชาตคือตะเพนีหมู่บ้านทิ้งหมดเลยเหรอตะเพนีในหมู่บ้านเราเอาไปทิ้งเหรอนี่คือวัฒนธรรมจำไปเลยนะเดี๋ยวฝรังถามตอบฝรั่งไปแล้วโอเคเนี่ยอย่าไปตอบให้มันยุ่งยากไปต้องเป็นหน้ากระดาษไม่เป็นเรื่องเวลาหัวใจของวัฒนธรรมมีสามข้อถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครอบผู้ใหญ่ไม่มีระเบียบเลยนี่เราวัฒนธรรมเสียม พระเจ้าสอนชัดเจนขอฝากผู้ปฏิบัติทรรมไปด้วยในวันนี้ไปลามาไหวมาจะได้อธิบายเขาได้ว่าอภิวาทาังศิลิ์จริจังวุธาปจาัจจยเนวจัตารูธรร ม, มาวัตชันติีอายุวโนสุ ข, ขังพละไปสอนโดยประเพณีวัฒนธรรมของชาติเด็กต้องไปลามาไหวอ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือเป็นงอน ผู้ใหญ่นั่งเนี่ยต้องขอประธานโทษเผื่อแฟนเขาทางตายอย่าเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่นี่วัฒนธรรมวันธรรมเวลาผู้ใหญ่มานั่งอย่ามาตะหลอเป็แหลเด็กอย่ามาตปหลอเป็แหลไม่ได้ผู้ใหญ่ไปตีเลยโดนเตียนี่วัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่นะแต่ามันนั่งทําม ต้องสอนต่าเพลงนี้ด้วยวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องอเธอเนี่ยแ้วบางทีผู้ใหญ่เนี่ยเดินเต้นข้ามหัวไปข้ามาถูกเลถูกไหมเอาเด็ดมาเต้นตรงนี้แล้วเนี่ยถึงแค่ผู้ใหญ่มาบ้านเราเนี่ยเอาลูกห้ายมาเต้นเนี่ยเราจะโดนหัวผู้ใหญ่ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกเลย ตอเดี๋ยวไปแกบแต่ผู้ใหญ่เขาไม่ว่าแต่เขาจะคิดอย่างไรเขาจะคิดอย่างไรแล้วเนี่ยเชิญแขกมาเนี่ยนั่งเต็มหอดเชิญผู้อวตรารทีเชิญมานั่งเต็มหมดหามาลุกๆๆๆจอมเมืองมาแล้วใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมได้แล้วเราไปจอมเมืองนั่งไปู่ ไอ้คนนั่งโดนไล่คิดยังไงไอ้คนนั่งเนี่โดนไล่คิดยังไงต้องลุกเดียจะให้คนณนั่นอ่ะอต้องคิดแน่ถึงไม่พูดก็ต้องคิดเขาเชิญคุณหญิงลับจกอมาสวงพวงมาลัยใส่ชาสายพายมาเลยเลยมาปั๊บไม่มีที่นั่งแล้วก็จะพาเขาไปไล่ที่ลุกลุกลุกไม ใค้คุณหญิงนะ่ะแล้วคนที่ลุกเนี่ยคือใครเขาไม่น้อยใจเลยจำไว้เลยนี่ถือมากเชิญใครมาที่เป็นใหญ่ๆ ใ, ใหญ่นอกใหญ่นายใครสามที่ต้องเกิดไปแล้วต้องเกิดข้างหลังไวท้ที่จำไหมแล้วทานอ ง, องค์เดียวข้างหลังต้องมี สามที่เพื่อเขามีเมียนมีเมียน้อยมีหลวงเพื่อเข้ามาช่องสอ ง, องจะได้นั่งเพื่อมีเลี้ยขาเลียขาอะไรมาเกาออตามจะได้นั่งแต่ขอที่ศูนย์ทำอย่างนี้ดิเราไปเชิญผู้ ก, กาคคจังหวัดมาไม่มีที่น่ะ ไปนั่งอาะแล้าพวกเรานั่งอาะแล้วแล้วทำอะไรวะชิเชิญเชิญปน้อยใจเลยให้โกรกันหน่เดียวดีกว่านี่นี่พวกคุยนั่งตรงนี้นะโกลกันหน่เดียวถ้านั่งแล้วโกรธสองหนตอนไล่านี่ยเสียหน้าไนะเสียหน้ามนะสองรายการก็คือเจ้าเมือง เขาก็ไม่เต็มใจจะนั่งไปไล่คนที่ชอบกันให้ลุกที่ข้อนแกนมีบ้างเคยเห็นแต่ไม่ใช่คงคงไม่ใช่ศี่ศูนย์นะที่บ้านจะบ้านอาจารย์รัติกกรเนีย่ยตรงที่ถือนะถือเอามาต่างไหนคันสอนเอามาจาับสมุจจก ผู้ใหญ่มา ย, ยืนลุกยืนรับยืนคำน้าผู้บังคับบัญชาแต่แดงอุทายนะผู้ใหญ่ทําไมเป็นผู้น้อยยืนดีได้ต้องยืนเพื่อให้ที่นั่ผู้ใหญ่หมดนีนน่พระไตรปยกมีทําไมไม่ออกมาสอนไอ้กราบเนี่ยประเพณีไทยไม่ใช่เป็นคำสอนผู้จหญ ย, ยืนลุกยืนรับยืนคำน้าปู่บังคับบัญชาแต่แดงอุทานะผู้ใหญ่เป็นมาเป็นผู้น้อยยืนอย่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกอ่านครบ มีกินใชาอา่ถ่ายสะดวกนี่กินของร้อนนอนในมุ้งทุ่มในส่วนยมือยังท้าเือนลูกเดินรับงคนินขนาบปุ่งขับมันชาเด็กชายหน้าแต่ผู้อหญกเป็นกู้น้อยทำไมนิ่งดุด่าเข้าใจไหมคะ